แถวนี้ผีดุ 3. ามตำนานรักแหกกดฟ้าคนกับพญาย น, นาคตำนานรักข้ามสายพันธุ์แม้ว่าละครนาคีจะอวสานไปแล้วแต่กระแสความแรงยังไม่ตกเพราะมีผู้คนให้ความสนใจเรื่องราวอันลึกลับเกี่ยวกับพญาย น, นาคมากขึ้นโดยเฉพาะตำนานความรักต่างสายพันธุ์ระหว่างคนกับพญาย น, นาค ซึ่งไม่ได้มีแค่ในละครนาทีเท่านั้นแต่ยังปรากฏในตำนานพื้นบ้านต่า ง, างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตำนานรักแผลกดฟ้าที่ไม่อาจเป็นไปได้ระหว่างคนกับพญานาจึงทําให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจตามมาและเป็นเหตุให้เกิดการพังทลายของเมืองในสมัยก่อนตำนานรักธีดาพญานาจกับเจ้าชายฟ้าหุ้งแห่งบึงของหลงจังหวัดบึงการ เป็นอีกหนึ่งตำนานรักแหกกดฟ้าอันโศกเศร้าของทิดาพยา น, นาคกับเจ้าชายรูปงามโดยตำนานได้กล่าวไว้ว่าเมื่อน า, นานมาแล้วบริเวณบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬในปัจจุบันที่เห็นกันว่าเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่นั้นสมัยก่อนเป็นที่ตั้งของเมืองที่มีชื่อว่ารัตพานครมีพระราชานามว่าพระอือลือเป็นผู้ปกครองมีมเหสีนามว่านางแก้วกัญยา ทั้งสองมีพระธิดานหนึ่งองค์และมีพระโอรสหนึ่งองค์โดยพระธิดา น, นั้นชื่อว่าพระนางเขียวคําพระนางได้สมรสกับพระเจ้าสามพันตาส่วนพระโอรสมีพระนามว่าเจ้าชายฟ้าหุ้งเป็นเจ้าชายที่มีรูปงามเชี่ยวชาญในทุกๆด้านเป็นที่หมายปองของหญิงสาวในเวลาต่อมาเจ้าชายฟ้าหุ้งได้พบรักกับหญิงสาวผู้มีรูปโฉมงดงามโดยพระนางมีนามว่านาคารินธารี เป็นทิดาของพญานาคราชผู้ปกครองเมืองบาดาลแต่เจ้าชายฟ้าหุ้งก็ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าหญิงที่ตอนรักนั้นคือทิดาพญานาคจำแรงกายมาเป็นมนุษย์ <_ greedy> เมื่อทั้งสองรักกันฝ่ายพระอือลือ ร, ราชาและฝ่ายของพญานาคผู้เป็นปิดาของนาครินธาณี <_ in your spirit> จึงได้จัดพิธีอภิเษกสมรสให้กับทั้งสองโดยที่พระอือลือ ร, ราชาก็ไม่ทรงทราบเช่นเดียวกันว่า ลูกชายของตนกำลังจะแต่งงานกับธิดาของพยานางานอภิเษกสมรสจึงได้จัดขึ้นอย่างใหญ่โตสมเกียรติเป็นเวลานานกว่า7วันเจคืนฝ่ายพยานาผู้เป็นบิดาของนาคารินทราณีก็ได้นำของมีค่าต่างๆมาบรรณาการให้กับพระอือลือราชาเพราะหวังว่าจะฝากฝังบุตรสาวของตนนั่นเองหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา เจ้าชายฟ้าหุ้งกับธิดาพญานาคได้อยู่กินการฉันสามีภรรยามานานกว่าสปีแต่ไม่มีวี่แววว่าจะมีบุตรทําให้ทั้งสองเกิดความทุกข์ใจเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้เองธิดาพญานาคจึงล้มป่วยลงเพราะตรอมใจว่าตนไม่อาจมีบุตรให้กับพระสวามีได้ในระหว่างนี้ร่างของนางที่จําแลงเป็นมนุษย์ก็กลับกลายสู่ร่างเดิมคือร่างของพญานาะคและแม้ว่าธิดาพญานาคจะใช้อิทธิฤทธิ์หรือไร้มนต์ใดๆ เพื่อให้ตนกลับเข้าสู่ร่างมนุษย์ก็ไม่อาจทำได้จึงทำให้ความลับถูกเปิดเผยทั้งพระอือลือราชาพระมเหสีเจ้าชายฟ้าหุ้งต่างก็ทราบว่านางคือทิดาพยานนาคจำแรงกายมาโดยเฉพาะพระอือลือราชานั้นไม่พอใจกับการกระทำของนางเป็นอย่างมากอีกทั้งข่าวนี้ได้ทราบไปถึงชาวเมืองรัตภานครทั้งหมดชาวเมืองต่างก็ไม่พอใจเช่นกันทาให้พระอือลือราชา ได้แจ้งไปยังบิดาของนางผู้เป็นพญานาคที่ปกครองคอนครใต้บาดาลให้มารับตัวนางกลับไปเมื่อพญานาคมารับตัวบุตรสาวกลับก็ได้ขอคืนของมีค่าต่างๆที่เคยให้กับพระอืลือราชาไปก่อนหน้านี้แต่พระอืลือราชาอ้างว่าให้ไม่ได้พระของมีค่าเหล่านั้นได้ถูกแปรรูปเป็นอย่างอื่นหมดแล้วทําให้พญานาคขราชโกรธมากเพราะนอกจากพระอืลือราชาจะขับไล่บุตรสาวของตนให้ออกจากเมืองอย่างไม่ใยดีแล้ว ของมีค่าต่างๆก็ยังไม่ได้คืนอีกด้วยด้วยความโกรธแค้นทำให้พญานาคราชได้ประกาศให้พระอื่นๆทราบว่าตนจะนำนาคบริวารทั้งหลายมาถล่มเมืองรัตพานครให้สิน้นซากและก็เป็นไปตามนั้นเพราะในวันต่อมาพญานาคราชได้นำกองทัพนาคบริวารมาทำลายเมืองรัตพานครโดยใช้อิทธิฤทธิ์บันดาลให้เมืองรัตภานครถูกทาลายลงด้วยน้า ชาวเมืองล้มตายเป็นจํานวนมากจนในที่สุดเมืองรัตภานครก็กลายเป็นผืนน้ําส่วนนันนาครินทราณีธิดาพยานาไม่ทราบเลยว่าพระบิดาของตนได้มาถล่มเมืองรัตภานครพอทราบเหตุหลังจากที่เมืองรัตพานครได้จมอยู่ในห้วงน้ําแล้วด้วยความรักความห่วงใยที่นามีต่อเจ้าชายฟ้าหุ้งนางจึงออกตามหาพระสวามีตั้งแต่บริเวณบึงของหลงหรือบึงโขงหลงในปัจจุบัน ไปจถึงแม่น้ำสงครามแต่กลับไม่มีวิแววของเจ้าชายฟ้าหุ้งเลยทำให้นางต้องกลับไปยังเมืองบาดาลด้วยความเศร้าโศกเสียใจจากตำนานรักอันโศกเศร้าของทิดาพยา น, นา ก, กับเจ้าชายฟ้าหุ้งนำมาสู่ความโกรธแค้นของผู้เป็นบิดาและการล่มสลายของเมืองรัตภานครซึ่งในปัจจุบันคือบึงโขงหลงจังหวัดบึงการนั่นเองอย่างไรก็ตามในตำนานยังได้กล่าวไว้ว่า แม้ว่านาคบริวารจะทําลายเมืองรัตภานครให้ย่อยยับแต่ก็ไม่ได้ทําลายวัดวาอารามที่ตั้งอยู่ในเมืองรัตภานครในเวลาต่อมาวัดเหล่านั้นได้ทรุดโทรมตามกาลเวลากลายเป็นป่าหรือเกาะแก่งขนาดเล็กที่เรียงรายอยู่โดยรอบและไม่ได้ถูกจมไปกับน้ําเป็นเหตุให้วัดเหล่านี้เป็นชื่อเกาะหรือดอนต่างๆที่ตั้งอยู่ในบริเวณบึงโขงหลงคือวัดดอนแก้วปัจจุบันคือดอนแก้ววัดดอนโพปัจจุบันคือ ดอนโพส่วนวัดแดนสวรรค์ก็คือดอนสวรรค์ในปัจจุบันตำนานรักพระนางแอค่ากับขุนเทืองที่มาของรูปปั้นครึ่งมนุษย์ครึ่งพญานาคที่ศาราแก้วกู่จังหวัดหนองคายพระนางแอค่าหรือเจ้าหญาทวดแอค่าเป็นพญานาคีผู้มีบุญวาสนาบารมีมากถือเป็นราชินีแห่งภพภูมิของพญานาค ตามตำนานวรรณคดีอีสานโดยปัจจุบันรูปปั้นพระนางแอค่ายปรากฏเป็นครึ่งคนครึ่งพญานาคอยู่ที่ศาลาแก้วกู่จังหวัดหนองคายโดยเชื่อว่ารูปปั้นพระนางแอค่ายนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากอีกทั้งยังเป็นรูปปั้นที่มีความคล้ายคลึงกับรูปปั้นเจ้าแม่นาคีในละครนาคีอีกด้วยสำหรับตำนานรักแหกกดฟ้าของพระนางแอค่ายกับขุนเถืองมีอยู่ว่าพระนางแอค่ายซึ่งเป็นพญานาคีนั้น ได้มาพบรักกับขุนเถืองซึ่งเป็นมนุษย์ทั้งสองต่างมีความรักที่ดีต่อกันจึงพลอดรักกันและอาศัยอยู่ที่สวนดอกไม้ในเวลาต่อมาพระนางแอคไคได้นำร่างของขุนเถืองไปยังพบของพญานาคซึ่งเป็นบ้านเมืองของตนแต่ด้วยเหตุที่ว่าความรักของมนุษย์กับพญานาคนั้นไม่อาจเป็นไปได้ไม่สามารถอยู่กินกันฉันสามีภรรยาได้ถือว่าผิดกฎของพบภูมิพญานาค พระนางแอไข้ทราบเรื่องนี้ดีแต่ก็ม่อาจละทิ้งความรักที่นางมีต่อขุนเทืองได้จึงได้นําตัวขุนเทืองไปซ่อนไว้ในปราสาทบริเวณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงจากวันนั้นเป็นต้นมาขุนเทืองและพระนางแอไข้ก็ได้อยู่กินกันนานถึงเจปีเจเดือนเจวันพระนางแอไข้ลหลงไหลขุนเทืองมากจนทําให้ลืมการเวลาลืมวันลืมคืนลืมหน้าที่ของตน เป็นเหตุให้ดินฟ้าอากาศเกิดวิปริตแห้งแล้งไปทุกหย่อมย่าทั้งสาโลกเมื่อพระนางแอคไข้รู้ตัวแล้วจึงเกิดสำนึกผิดที่ทำให้โลกทั้ง3าต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเองพระนางจึงได้ตัดสินใจบอกความจริงแก่คุณเถืองว่าแท้จริงแล้วนางไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพญานาคีหลังจากนั้นพระนางแอคไค้ก็ได้ลงมาเล่นน้ากับนาบริวาร ทำใเกิดเสียงดังสั่นสะเทือนไปทั่วพื้นปัตตภีขุนเถืองได้ยินเสียงเข้าจึงได้เปิดหน้าต่างดูปรากฏเห็นพระนางแอค่ในร่างพญานาคกำลังเล่นน้ำอยู่นั่นเองเป็นไปตามที่พระนางได้บอกกับขุนเถืองว่าแท้จริงแล้วนางคือพญานาคีจากตำนานที่กล่าวมานี้จึงเป็นเหตุให้มีการสร้างรูปปั้นครึ่งคนครึ่งพญานาคที่ศาลาแก้วกูจังหวัดหนองคายดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ตำนานรักทิดาพญา น, น่ากับเจ้าชายแห่งปร า, าสาทสดากกอกทมจังหวัดสระแก้วปร า, าสาทสดารกอกทมเป็นปร า, าสาทขอมโบราณขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากของจังหวัดสระแก้วตั้งอยู่บ้านหนองสเสม็ดหมู่ที่๙ตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วตำนานกล่าวว่ามีเจ้าชายผู้หนึ่งได้ถูกไล่ล่าจากศัตรูจึงวิ่งหนีเข้าไปยังป่าลึกที่มีทั้งสัตว์ร้าย และอันตรายนานับประการระหว่างนั้นคนร้ายก็วิ่งตามมาติดๆหวังจะปิดชีพเจ้าชายให้สิน้นแต่ปรากฏว่ามีเปลวไฟที่ร้อนแรงได้พุ่งเข้าใส่คนร้ายจนกระทั่งตายในที่สุดคนร้ายบางส่วนที่กำลังไล่ล่าเจ้าชายอยู่ได้เห็นว่าเปลวไฟอันร้ายแรงนั้นมาจากพญานาคตัวใหญ่ที่กำลังขดหางเป็นวงกลมเพื่อปอกป้องเจ้าชายอยู่พวกคนร้ายจึงพากันวิ่งหนีตเตลิดไปหลังจากนั้น พญานาคลาตัวใหญ่ยาวก็ได้กลายเป็นมนุษย์ผู้หญิงรูปร่างหน้าตาสวยงามนางไม่ได้ปิดบังฐานะของตัวเองแต่กลับแสดงตัวชัดเจนว่าเป็นธิดาพญานาคและนางได้พาเจ้าชายหลบหนีจากศัตรูจนกระทั่งเจ้าชายปลอดภัยระหว่างทางทั้งสองเกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกันจนกลายเป็นความรักความผูกพันจนกระทั่งได้เสพสังวาสกันในที่สุดในเวลาต่อมา ทิดาพญานาคและเจ้าชายได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่เรื่องนี้ได้ทราบถึงพยานาคราชผู้เป็นบิดาจึงได้มาตามทิดาพญานาค ก, กลับสู่เมืองบาดานหลังจากนั้นพี่ชายของเจ้าชายที่ตั้งตนเป็นศัตรูก็ได้ยกทัพมาสังหารเจ้าชายหนุ่มผู้ซึ่งเป็นสามีของทิดาพญานาคเจ้าชายไม่สามารถต่อสู้ได้อีกทั้งทิดาพญานาคได้กลับวังบาดานไปแล้วจึงไม่อาจช่วยเหลือได้ทำให้เจ้าชายถูกสังหารตายในที่สุด และพี่ชายของเจ้าชายก็ได้ยึดเมืองใหม่ของน้องชายตัวเองอีกด้วยข่าวการตายของชายอันเป็นที่รักได้ทราบมาถึงทิดาพญา น, นาคนางรู้สึกโกรธแค้นมากจึงออกไล่ล่าผู้ที่ฆ่าสามีของนางที่เมืองใหม่นั่นเองนางกลายร่างเป็นพญานาคลําลตัวใหญ่ยาวใช้อิทธิฤทธิ์ทําลายกองทัพของศัตรูสามีด้วยการพ่นพิษอันร้ายแรงจนกระทั่งผู้คนล้มตายในที่สุดพิษของทีดาพญานนาคนั้นร้ายกาจมาก เพราะไม่ว่าพิษจะไหลไปที่ใดของเมืองพื้นดินก็จะละลายไปหมดจนกระทั่งเมืองล่มสลายในเวลาต่อมาธิดาพญานาคก็ได้ใช้อิทธิฤทธิ์ของตนสร้างเมืองขึ้นมาใหม่จำนวนหลายเมืองเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนที่หลบหนีไปก่อนหน้านี้จากนั้นธิดาพญานาคก็ได้กลับเข้าสู่เมืองบาดานภายหลังเชื่อกันว่าเมืองต่างๆที่ธิดาพญานาคได้สร้างขึ้นมานั้น น่าจะเป็นที่ตั้งของปราสาทอันเก่าแก่ในจังหวัดสะแก้วหลายแห่งเช่นปราสาทสตอกกอกทมปราสาทเขาล้วนโบราณสถานสะมรกตปราสาทเขาน้อยสีชมพูเมืองสีมโหสถและเมืองดงละครนอกจากตำนานรักของคนกับพญา น, นาคที่นํามาสู่การล่มสลายของเมืองต่างๆแล้วแต่ก็ยังมีตำนานความรักของคนกับพญา น, นาคที่นํามาสู่การสร้างเมืองอย่างเช่น ตำนานของการสร้างนาครวัดนครธมที่ปรากฏในพงศาวดารคำเหม็ซึ่งพยา น, นาคมีบทบาทสําคัญต่อการสร้างนาครวัดนครธมให้เกิดขึ้นอีกด้วยหากชอบอย่าลืมกดถูกใจหรือช่วยแชร์หน่อยนะครับอยากให้ทําเรื่องไหนเพิ่มเติมลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยไว้ผมจะหาข้อมูลมาให้ชมกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไปด้วยล่ะครับจะทําให้ชมกันได้เรื่อยๆเลยครับขอบคุณมากครับ